ความเชื่ออันงมงายเมื่อเราเริ่มเท่าแระแก่ชราสายตาเริ่มมัวหูเริ่มตึงผมร่วงต้องใส่ฟันปลอมขาหมดเรียวแรงมือสั่นเป็นครั้งคราวแต่มีส่วนหนึ่งในร่างกายของเรา ที่ดูจะแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกๆปีที่ผ่านไปนั่นก็คือปากที่แสนจะช่างพูดของเราดังนั้นพลเมืองน้ำท่วมทุ่งทั้งหลายจะมีคุณสมบัติเช่นนักการเมืองเมื่ออายุมากขึ้น ใัศตวรรษมาแล้วพระราชาองค์หนึ่งประสบปัญหาเรื่องคณะเสนาบดีที่ชอบเถียงกันมากเสียจนไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรได้เลยพวกเขายึดถือธรรมเนียมการเมืองเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่แต่ละคนจะยืนยันว่าเขาเท่านั้นที่ถูกขณะที่คนอื่นๆผิดหมดอย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชาผู้เจ้าความคิดจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษขึ้นเศนาบดีทุกคนก็พร้อมใจกันหยุดงานเพื่อไปร่วมงานฉลองนั้นงานเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในสนามกีฬาใหญ่มีทั้งการร้องรำทำเพลง เต้นระบำรำฟ้อนกายกรรมตัวตลกดนตรีและอื่นอื่นอีกมากมายในฉากสุดท้ายต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากและแน่นอนว่าบรรดาเสนาบดีทั้งหลายย่อมจักจองที่นั่งที่ดีที่สุดองค์พระราชาเองผ่าช้างหลวงเข้ามาตรงกลางสนาม ตามมาด้วยชายตาบอดเจคนซึ่งเป็นที่รู้กันทั้งเมืองว่าตาบอดมาแต่กำเนิดและไม่รู้ว่าช้างคืออะไรพระราชาจับมือชายตาบอดคนแรกช่วยเขาสัมผัสงวงช้างและบอกว่านี่คือช้าง แล้วพระองค์ก็ส่งช่วยชายคนที่สองให้ได้สัมผัสงาช้างคนที่สสัมผัสที่หูคนที่สสัมผัสหัวคนที่หสัมผัสลาตัวคนที่หสัมผัสขาและคนที่7สัมผัสหางโดยบอกทุกคนว่านี่คือช้างหลังจากนั้น พระองค์ก็กลับมาที่ชายตาบอดคนแรกและขอให้เขาเล่าดังๆว่าช้างคืออะไรชายตาบอดคนแรกผู้ที่ได้สัมผัสงวงช้างกล่าวว่าผมได้ไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าช้างเป็นชื่อของงูเหลือมพันใดพันหนึ่ง เหลวหลายสิ่งดีชายตาบอดคนที่สองที่ได้สัมผัสงาช้างร้องอุทานขึ้นช้างน่ะแข็งเกินกว่าจะเป็นงูได้ความจริงนะแล้วผมก็ไม่เคยผิดซะด้วยมันเป็นคันไยของชาวนาอย่าบ้องนะ่ะชายตาบอดคนที่สามที่ได้สัมผัสหูช้างส่งเสียงเยอยขึ้นทันทีช้างเป็นพัดที่ทาจากใบตาลตั้งหาก ชายตาบอดคนที่สี่ที่ได้สัมผัสส่วนหัวหัวเราะเยอะขึ้นมาแล้วกล่าวว่าเจ้าพวกปัญญาอ่อนไร้ความสามารถเอ้ยมันชัดๆอยู่แล้วว่าช้างนะ่ะคือตุ่มน้ำใหญ่ๆตั้งหาก impossible เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดชายตาบอดคนที่หที่ได้สัมผัสลาตัวส่งเสียงเกรยียวออกมาบ้างช้างนะ่ะคือหินก้อนเบเรมเทม ปัดโถเอย้ยชายตาบอดคนที่หที่ได้สัมผัสส่วนขาตะโกนขึ้นมาบ้างช้างน่ะคือลำต้นไม้ตังหานี่เจ้าพวกไม่ได้สติทั้งหลายชายตาบอดคนสุดท้ายที่ได้สัมผัสส่วนหางส่งเสียงเหยียดยามออกมาเราจะบอกพวกเจ้าให้ว่าช้างน่ะจริงๆแล้วมันคืออะไร มันก็คือแทะปัดแมลงธรรมดาธรรมดานี่เองฉันรู้ฉันสัมผัสโดยตรงเลยล่ะเหลวไหลมันเป็นงูไม่ใช่มันเป็นตุ่มไม่มีทางมันเป็นจุดๆแล้วบรรดาชายตาบอดเหล่านั้นก็เริ่มต้นทุกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนจนกลายเป็นการตะโกนแผดเสียงที่ทั้งดัง และไม่จบสิ้นเขาพ่นคำสพประมาต่างๆใส่กันเท่านั้นยังไม่พอแถมยังรัวกําปั้นใส่กันอีกด้วยแม้ว่าชายตาบอดเหล่านั้นจะไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเขากําลังต่อยใครอยู่แต่มันก็ไม่สําคัญหรอกในสภาวะการทะเลาะเบาแหว้งอย่างูกเดือนนั้นเขากําลังต่อสู้เพื่อหลักการเพื่อความถูกต้องและ เพื่อบูชาความจริงเพียงแต่ว่ามันเป็นความจริงของแต่ละบุคคลเท่านั้นขณะที่ทหารของพระราชากำลังแยกผู้วิวาตาบอดที่ฟกช้ำดำเขียวไปหมดออกจากกันฝูงชนที่อยู่ในสนามกีฬาต่างพากันหัวเรย์ย่บรรดาศสนาวดีซึ่งบัดนี้ เงียบเกลิบและมีสีหน้าอับอายทุกคนในที่นั้นเข้าใจเป็นอย่างดีว่าพระราชาต้องการจะสอนบทเรียนอะไรหมายเหตุนิทานเรื่องนี้มีเขาโครงเรื่องมาจากขุตกนิกายอุทานและขุตกนิกายชาดก พวกเราแต่ละคนอาจจะรู้แต่เพียงบางส่วนของเรื่องทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นเรื่องจริงหากเรายึดมั่นถือมั่นในความรู้อันจํากัดของเราว่าเป็นความจริงอันสมบูรณ์เราก็จะเหมือนกับชายตาบอดที่ได้สัมผัสแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของช้างแล้วด่วนสรุปว่าประสบการณ์เพียงแค่เศษเสี้ยวของเขานั้นเป็นความจริงอันสมบูรณ์ ส่วนคนอื่นๆนอกจากเขาแล้วล้วนผิดหมดแทนการเชื่ออย่างมืดบอดนั้นเราน่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันลองนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากชายตาบอดทั้งเจ็ดคนแทนที่จะคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อมูลของผู้อื่น กลัดเชื่อมประสบการณ์ของเขาเข้าด้วยกันเขาก็คงจะสรุปได้ว่าช้างคืออะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่บนลาต้นไม้ที่มั่นคงและแข็งแรงสี่ต้นมีแทะปัดแมลงอยู่ที่ด้านหลังส่วนด้านหน้าเป็นเหมือนตุ่มน้าขนาดใหญ่ที่ด้านข้างทั้งสองมีพัดใบตาล มีคันไถอยู่สองด้านชี้หลงเบื้องล่างและมีงูหลามตัวยาวอยู่ตรงกลางนับได้ว่าเป็นการลังยายถึงช้างสักตัวที่ไม่เลวนักสำหรับผู้ที่ยังไงยังไงก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นช้างตัวจริง